เสียงอ่านหนังสือพระไตรปิฎกภาคปฏิบัติพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวยานสัมปันโนวัดป่าบ้านตาดรวมเทศนาธรรมที่เกี่ยวกับพระไตรปิฎกเพื่อความเข้าใจปริยัตการจดจาพุทธวจนะและคำภีที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาปฏิบัติให้ถูกต้องและเกิดประโยชน์เพื่อความพ้นทุกข์ได้มากที่สุดอันเป็นหลักสาคัญและเป้าหมายที่แท้จริงแห่งพุทธธรรม ตัวอย่างหัวข้อภายในเช่นพระไตรปิฎกในพระไตรปิฎกนอกพระไตรปิฎกตาบอดพระไตรปิฎกตาดีคืออย่างไรคนมีกิเลสศึกษาพุทธพจน์อ่านพระไตรปิฎกกับความเข้าใจความจริงและความรู้จากความจำพระไตรปิฎกกับการนำไปปฏิบัติคำภีชัญธัคกถาไม่น่าเชื่อถือจริงหรือไม่การปฏิบัติภาวนา จำเป็นหรือไม่ต้องเรียนอภิธรรมที่ว่าอภิธรรมไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นจริงแค่ไหนและจะตัดออกจากพระไตรปิฎกได้หรือไม่หลักของจิตตภาวนาและความจริงของจิตมาจากปิฎกไหนปริยัตยคือภาคทฤษฎีในตำรากับภาคปฏิบัติเอื้อเฟื้อกันหลายถึงกันอย่างไร ควรศึกษาพระไตรปิฎกไม่ประมาทในพระธรรมแต่ควรยึดถือแค่ไหนการแปลบาลีสองแบบจากผู้รู้จำและผู้รู้แจ้งมิชชาทิฐิจากการจดจำตัวหนังสือได้มากได้แม่นที่ต้องพึงระวังวิธีชำระจิตและการพิจารณาธรรมเพื่อความเข้าใจพระไตรปิฎกและพุทธพจน์ที่ถูกต้อง ขออนุโมทนากับท่านผู้รวบรวมเนื้อหาจนมาเป็นหนังสือเล่มนี้นะครับต้นฉบับที่ได้มาไม่ได้ระบุชื่อผู้จัดทําไว้ซึ่งท่านรวบรวมมาไว้จากเทศนาหลายแห่งจะเป็นประโยชน์มากทั้งต่อนักปฏิบัติและนักปริยัติที่จะได้ใช้เป็นแนวทางให้เกิดประโยชน์มากขึ้นในการศึกษาธรรมต่อไปทั้งนี้อาจจะมีข้อความซ้ําบ้างเนื่องจากเป็นการเทศคนละกล่าวในแต่ละหัวข้อนะครับ